เดี๋ยวเรามาเข้าู่เชียล ด, ดี วันนี้เป็นเคสที่เก้สลูกขวัตพระธรรมกายปลายปี2538โดยพิจารณาเพื่อนที่อยู่ด้วยการเป็นคาลยานามิตรจะ้เชิญในสร้างองค์พระภายนอกีิธรรมกายเจดีซึ่งโลกกับเพื่อนตกลงสร้างองค์พระคนละหนึ่งองค์ทันทีอย่างไม่ลังเลโ<า>ลูกอยู่จังหวัดตรังชีวิตเปเด็กลูกอยู่กระยาย พระพ่อแยกทางกับแม่ต้องลูกอายุได้ ส, สองขวบเนี่นจะพ่อป่วยเป็นวันนโรคพ่อกลัววันนโรคจะติดแม่และลูกแยกเพระรักนะจึงให้แม่และลูกกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดตรังส่วนพ่อขออยู่ที่จังหวัดสตูลแยกตัวจากพี่น้องไปอยู่ในไร่น่ะคนเดียวคืนหนึ่งพ่อฝันว่า มีคนมาบอกให้ไปหาสมุนไพรนำมาต้มกินพอก็ได้ปฏิบัติตามแล้วพ่อก็ได้หายป่วยจากวันโรคหลังจะนั้นพ่อก็ได้รักษาผู้ป่วยวันโรคหายเป็นจำนวนมาก<อ>ปัจจุบันพ่อยังอยู่อายุ28 88ปียังอยู่คนเดียวที่จังหวัดสตูลโดยมีเพื่อนบ้านคอยดูแ ล, แลและให้ความช่วยเหลือ ส่วนตัวลูกเองที่สรงนั้นเขาจะจ่ายไปให้เป็นประจำแต่ น, น, นานๆก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมท่านใดสักครั้งหนึ่งหลังจากแม่จากพ่อมาแล้วตังแต่ลูกอายุได้สองขวบชั้นลูกอายุได้เก้าขวบแม่ก็ต้องหาผู้นำครอบครัวใหม่ก็ได้มาเจอกับพ่อเลี้ยงพ่อของลูกก็ได้เขียนจดหมายมาจ่ายที่วัดสตูลบอกอนุญาต ให้เธอมีดาริ่งใหม่ได้ไม่ใช่แปล ว, ว่าฉันไม่รักเธอนะฉันเลิฟเธอจริงๆเลยนี่แต่ฉันต้องตัดใจลาเป็นพระเวสสันดรทว่คนจำเป็นแม่ของลูกเจอพ่อเลี้ยงที่บอนแห่งหนึ่งบอลคาสิโนโแห่งหนึ่งซึ่งแม่ก็ไปเล่นการ์ะ น, นั้นที่นั่น พ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนมีฐานะอันจะกินเป็นเศรษฐีที่ดินในละแวกนั้นพ่อเลี้ยงชอบเล่นการพนันชนโควทที่ลูกจําความได้ไม่เคยเห็นพ่อเลี้ยงเขาวัดทบุญเลยต่อมาสมบัติของพ่อเลี้ยงก็กค่อยๆหมดไปแลถูกโกงไปไม่หลาย ห, หนยังมีเหลือที่อยู่โมแม่ไปทวงถามพ่อเลี้ยงถึงเรื่องที่ดินซึ่งถูกคนโกงไป กเร็มบอกไม่เป็นไรช่างเขาปล่อยก็ไปเถิดปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาไปไปเข้าข้าคนโกงที่วันนึงพ่อเลี้ยงเดินอยู่เริมถนนมีเด็กกาลังหัดขับมอเตอร์ไซค์ขับรถบัชชนทําให้หัวน็อกกับพื้นเป็นได้าชานิตรา น, นอนอยู่สิบห้าวันจึงเสียชีวิตกั น, อ, น, นอายุได้เจสิบสองปีตัวลูกน้องของนละพ่อเนี่ยเป็นกับพ่อเลี้ยง สามคนปนน็น้องชายหนึ่งคนน้องาสาวสองคนน้งชายลูกหลังจากจบปริญญาโทแล้วก็ได้เข้ารับราชการที่กระทรวงพาณิชย์เขาเป็นคนมีน้ำใจเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเป็นคนใจบุญสาวที่ก็ชอบไปนั่งสมาธิที่วัดแถวบ้านเมื่อูกถามว่ามื่อไรจะบวชเขาบอกว่ายังไม่มีวันลาและยังหาวัดที่จะศึกษาธรรมไม่ได้แต่พอคิดจะลาบวชก็ไม่มีคิวลา ลังชายเป็นคนตรงไม่โกงกินแต่ครับมักจะเจอกับหัวหน้างานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันจนทำให้อยากล่ออกจากงานในสุดก็ขอลาออกจากงานราชการแล้วก็ไปทำ ง, งานที่บริษัทแห่งหนึ่งวันหนึ่กันนะครับรถอยู่ที่จังหวัดกระบีบ่เกิดหลับในรถเสียหลักชนต้นไม้เนื่องจากไม่ได้ขาดเข็มขัดนิรภัยทาให้กระดูกคอหัก มานำส่งโรงพยาบาลหมอรพยาบาลก็ไม่ได้ให้การรักษาอะไรพอขอดูอาการคือนิกรน้องชายน้องชายก็พูดได้ขยับมือได้โรคปัสสาวชื้นขึ้นคืนที่สองย้ายเข้ากรุงเทพพอดีกับเพื่อนน้องชายรู้จักพูดในการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพรู้จักพาลน้องชายเข้าโรงพยาบาลนี้แจะพอไปถึงโรงพยาบาลนี้แยกก็โรงพยาบาลที่ย้ายออกมาใชอีก คนแรกที่พักในโรงพยาบาลนี้เขามีความรู้สึกว่ามีคนเข้ามาร่มจอยกับเขาด้วยโดยมานอนเบียดข้างเตียงแล้วก็เห็นทาหารญี่ปุ่นกินเลี้ยงกันเต็มไปหมดแล้วก็ดูหนังช่วงที่อยู่โรงพยาบาลมีบุรุษพยาบาลคนหนึ่งมาบอกทุกวันว่าให้ย้ายเอาไปเถอะถ้าอยากให้น้องชายหาย แล้ว ก, ก็ม่ได้ย้ายเพราะกลัวเปน็นอันตรายต่อคนไข้ต่อมาได้ผ่าตัดกระดูกคอติดได้ทําให้น้องชายพูดคุยกินอาหารได้วันต่อมาเสียมหาติดคอน้องชายทำปั๊มหัวใจจนน้องชายฟื้นคืนมาแต่น้องชายก็เสียแรงไปมากในคืนนั้นน้องชายบอกกับบุรุษพยาบาลว่าเสียใจจังเลยเสียใจเสียใจที่ไม่ได้บวชให้แม่ ล้ก็เสียชีวิตในคืนนั้น oh. อายุได้สามสิสามปียังไม่มีครอบครัวตัด oh. เสียดายที่ไม่ได้บวชให้แม่อย่า oh. งน้อก็มาอาบุญกระถิน mm hmm. ก็ยางดีก็ไม่ได้อาบุญกระถินกรถินที่จะถึงเนี่ย mm hmm. นั้นคร ย, ยังมีลมหายใจอยู่ mm hmm. ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนจะพราบุญกระถิน่จะถึงนี้นะใช่ <Yeah. S 1> เพราะว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นีในใจครู <Yeah. S 1> แตความจริงว่าจะเป็นอย่างนี้ วันนั้นรีบมาจอยกันสร้างงานกันที่นี้แจ๊น้องสาวต้องขอซชิญเป็นน้องสาวคนละพ่อน้องสาวคนแรกแม่บังคับไปแต่งงานแบบคลุมถุงชนกับุญชาที่แม่เลือกให้แต่ต่อมาแม่กลบอกให้เลิกแต่แรกเลือกเพราะแม่โกรธน้องเขยแต่ไม่เลือกมาแล้วน้องสาวก็ไม่เลิกเลยไปรู้อะไรผิดแค่ถู ปีสหนึ่งน้องสาวตั้งท้องลูกชายคนที่สองท้องได้เจ็ดเดือนครึ่งเท่านั้นก็คลอดเวลาอนาะยุได้ห้าสิบี่วันน้องเขยที่หนีออกจากบ้านลูกไปประมาณสองเดือนแต่ภายหลังก็ได้กลับมาสร้างครอบครัว อ, อยู่กับน้องสาวเาได้อีกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะน้องสาวเป็นคนชอบทำบุญเห็นด้วยกับการทำบุญของลูกทุกอย่างส่วนน้องเขยนั้นไม่เคยเชื่ อ, เ, อเรื่องการทาบุญ แต่ก็ยังดีที่ไม่ห้ามการทำบุญของน้องสาวถ้าน้องสาวชวนมาวัดเขาก็จะมาด้วยทุกครั้งน้องสาวเขาเคยบอกว่านี่นะถ้าเจอหลวงพ่อก่อนลูกนี้เสียดายจังไม่เป็นไรเราชวนเขาวัดน้องสาวเขาเล่เคยพาจัดตามน้าเลือยงที่ข้างหูเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนงดหิดง่ายเจ้าเทลละกับแม่เป็นประจำแม้กับอบครวงเขาเขาก็เจ้าอารมณ์ สามีของเขาไม่สนใจในการทำบุญเลยแต่นางสาวเล็กชอบทำบุญถวายพระทหารเป็นประจำและเคยบอกว่าทำกายบ่อยแต่ไม่ชอบปฏิบัติธรรมชอบรวยแต่ไม่ชอบความฉลาดยายเป็นคนเลี้ยงตัวลูกมาแม่ก็นคนเลี้ยงดูตัวลูกยายตายตอนอายุ80กว่า ป, ปีด้วยโรคฉลามิจ้าเขาสมบอกว่ายายตกนรกขุมลึกมาก แต่ลูกก็สงสัยเอ้ก็ไม่เห็นยายทําผิดอะไรจ้ากษัตริยก็บอกว่าทําบุญให้ยายบ่อยๆทาบุญครั้งหนึ่งก็จะได้ขึนมานิดนึงโมลูกยิงได้ทําบุญเส้างพระให้ยายแกโอจะตกนรกนี่ไม่ได้รับบุญโลกนน่นบุญนั่นไมคอยคอยอมโลกไม่มีขยับขยับยังมีหลับโลูกมีเพื่อนสนิทคนนึง แม่มันค่อนชวนให้มาอยู่ในบ้านเดียวกับลูกเราอยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วค่ะเราต้องคอยให้ความช่ยเหลือเพื่อนคนนี้อยู่เสมอแล้วเขก็ชวยงานลูกรักครอบครัของลูกเหมือนครบครัวงเขาดูแลแม่ของลูกอย่างดีปัจจุบันแม่โกรธเขาแต่เขาไม่โกรธแม่เวลาลูกทำอะไรเพึ่อนนนี้แม่จะรู้สึกไม่พอใจแม่บอกว่าแม่อิจฉ า, าแม่งลูกเป็นต้นบนต้นแบบชวนลูกทำบุญมาโดยตลอด แม่ชอบจ้ภาพกฐินวัดแถวบ้านหลายวัดเนี่จะรวยเดีย์แม่เคยบอกว่าพรำบุญตั้งแต่ปีสีหนึ่งเคยเปจ้าภาพกฐินทีน่วัดพระธรรมกายทำบุญเสาค้าธรรมกายเจดีย์สรางพระประจำตัวแต่สองสามปีที่ผ่านมาแม่เริ่มไม่ทาบุญเนี่ยมันจะรวยขยักขยันเวลารวยก็จะรวยมากเลยอยู่ก็หวบมไมมีบุญหรองรับเวลาลูกไปทําบุญลูกเอาบุญมาฝากแม่แม่บอกหมายทำบุญด้วยละ และไม่เห็นโดย ก, การทำบุญของลูกลูกจึงต้องแอบทําบุญไม่ให้แม่รู้แม่ไม่ชอบพระาจานารย์และผู้ประสานงานที่ไปที่บ้านไม่อยากให้ลูกสร้างบ้านให้ไหมแต่ลูกยังไม่ได้สร้างให้แม่คิดว่าลูกเอาเงินไปทำบุญหมดแต่จริงลูกทำบุญน้อยกว่าเดิมมากตพอาการค้าไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็มีหนี้สินแต่ลูกไม่ได้บอกแม่เรื่องหนี้สินเพราะไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจอืมลูกเป็นคนโสด ทำธุรกิจขายอาหารหมูไก่และปลาคือต้องการให้หมูอ้วนๆไก่โ ต, โตัวโตปลาตัวใหญ่ๆลูกเคยเลี้ยงไก่และทำนากุ้งเลี้ยงไก่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเลยแต่ถ้าให้ไก่เลี้ยงนี่คือฆ่าไก่มาเลี้ยงชีพนี่อันนี้สิมันบากถ้าเลี้ยงไก่แล้วก็ปล่อยมันโตเตะไปไหน กมพี่ใหญ่ก็เลี้ยงนะไก่นกยุงนกน ก, นกอะไรสัตพัดอย่างนั้นก็ได้อันิับสองร้อยชาติช่วงนั้นสุขภาพลูกไม่เคยดีเลยเราจะไปกราบหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านบอกว่าเลอะให้เลิกเบียดเบี้ยนลูกเลยเ ล, เ, ล เ, ลเลิกทํานากุง้งหลังจากนั้นสุขภาพลูกก็ดีขึ้นช่วงที่รายได้ดีลูกทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดทําบุญได้ไปลักแสนปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีทําบุญได้น้อยลงเพราะก็มีนี้สิง่งไม่จํานวนหนึ่ง เราคิดจะนําโนดที่ดิน10บไร่มาถวายหลวงพ่อผู้ประสาน ง, งานได้แนะนําให้ไปขายเป็นเงินสดมาถวายเราปักป้ายขายมาอยู่หลายปีก็ขายไม่ได้ผู้ประสาน ง, งานจึงแนะนํานให้ น, นำฉโนดเ ข, ข้ า, า, าการภาวนาเราตัดใจแล้วว่าจะขายได้เท่าไรจะถวายหลวงพ่อหมดเลยเดือนกุมภาพันธ์สองพหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จที่จังไงกระบีขณะเดินทางกลับลูกแวะดูที่ดินที่ประกาศขายประกาศรถมาถึงที่ดินมีมอเตอร์ไซค์ขับตามมาจอดประกอบ เขาเข้ามาถามว่าที่ดินตรงนี้จะขายหรือเปล่าลูกก็ให้เบอร์โทรติดต่อไปหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ก็มีคนมาติดต่อซื้อทันทีทำให้ลูกอัศาจรารย์ใจมากเพราะที่ดินตรงนั้นขายกระบอกขายไม่ได้เพราะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มีผลประโยชน์ในที่ดินเบอร น, นี้เป็นทางการได้ขายคําถามพองลูกทำบุญก ร, รมใดไว้จึงเป็นวั น, นโรคและหายได้โดวยวิธีง่ายๆกําไรทําให้ทํำมาได้เลี้ยงดูตัวลูกและต้องอาศัยคนอื่นอยู่คะ่ะ ทำไมพ่อเลี้ยงยังถูกโกงและยังเข้าข้างคนโกงผลกรรไรทำใพ่อเลี้ยงนั้งถูกมตอตร์ไซคชนหัวนอ็อคเพือไม่จาชาะนิทรา25ปันย 95, ังเสียชีวิตขณะ น, นี้หยุดพบภูมิใดได้รับบุญที่ลูกสร้างพรบจำตัวได้หรือไม่คะน้องชายกระดูกคอหกักและท่อนล่างไม่มีความรู้สึกเกิดจาวิบากกรรมใดทำไมลูกจังพาน้องชายเข้าโรงพยาบาลที่ทำให้น้องชายเสียชีวิตทั้งๆที่เรามีเงินพอที่จะพาไปเข้าโรงพยาบาลดีๆได้ และบุกปกรมดใดจะไม่น้องชายมักจะไม่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากหมอและสถ า, านพยาบาลตติควรคือที่น้องชายฝันอินอาหารญี่ปุ่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ไปเรื่องใจน้องชายมีความเกี่ยวพันกับทหารญี่ปุ่นอย่างไรทําให้ตั้งตัฝันเห็นครั้งนี้น้องชายไปเกิดแล้วหรื อ, อยังบนที่ลูกทําให้น้องชายช่วยเหลือเขาอย่างไรรับฝากข้อความใดมาถึงลูกหรือไม่อย่างไรคะน้องสาวคนแรกทำไมถูกแม่จับคลุมถุงชน น้องสาวคนที่สร้ามบารมีมาอย่างไรจึงเห็นด้วยกับการทําบุญของลูกที่สุดและกล้าทําบุญแม้มีเงินน้อยทําไมเธอไม่เจอว่าธรรมกายก่อนที่เธอจะแต่งงานอนั่นน่ะสิเ <laughs> พราะว่าธรรมการสร้างมาตั้งนานแล้วเนี่ย <laughs> เธอมีบุญพอที่จะไปดูศีบุรีวงบุญพิเศษหรือไม่และครอบครัวเธอจะไป็นครอบครัวธรรมกายได้หรือไม่คะน้องสาวคนแรกและลูกจ้าันที่สองจะมีกรรมอะไรจริงทอดก่อนกําหนด แล้วงอันนี้ก่อมาเกิดมาจากไหนคะกำลังทำให้น้องสาวเล็กจําผ่าตัดตําน้าเหลืองที่ข้างหูแล้วก็มีวิบากกรรมอะไรมากับแม่หรือไม่ถึงทะเละกับแม่ทุกวันน้องสาวจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรที่เจ้าข้าสงบอกว่ายายตกนรกขมลึกมากจริงหรือไม่ถ้าจริงนำ้ำมานยาตั้งแต่นรกขมลึกมากคนทรงติดจะตกพรมุ ส, สานนี่แหละบุญที่ลูกเชาที่ไปให้ช่วยยายได้อย่างไรคะ ลูกเพื่อนสนิทและแม่มี ป, ปมุญบกรรมออร่อยกันมาอย่างไรจึงได้มาอยู่ออร่อยกันในชาตินี้ทําไมแม่ทังอิจฉาและไม่เข้าใจลูกและเพื่อนสนิทจะแก้ไขได้อย่างไรทําอย่างไรแม่จังจะกลับมาเข้าใจและทําบุญเหมือนเดิมทําไมลูกจึงขายที่ดินได้ตอนนี้พอดีทดั้งดที่ขายไม่ได้มานานแล้วบุญที่ลูกนํามาใจ่าขายที่ดินไปถวัสดหลวงพ่อทั้งหมดดังที่ได้แต่งใจไว้จะช่วยลูกและครอบครัวของลูกดีขึ้นอย่างไรลูกและเพื่อนสนิทไม่มีครอบครัวเป็นคนโสดเหมือนกัน มันปลาชีวิตจะเป็นเช่นไรคะอ๋อมันปลายก็จะแก่แล้วก็จะเจ็บแล้วก็ตายเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเลย <c oughs> หลานใจสีกคนลูกจะได้บวิบวนพุทธศาสนาหรือไม่คะเอากวัดก็มียูโลกินแมนชั่นให้เช่าแต่คนเช่าไม่เต็มลูกได้ให้ทิโยสายกับน้องเจ้าหนทที่ของวัดมาตลอด จะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างคะอาชีพขายอาหารหมูไก่และปลาจะมีวิบากกรรมหรือไม่เพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ทำมีลูกควรทํากันค้าอะไรคะอืมเนาะค้าอะไรดีเอ่ยทําไมชาติ น, นี้ลูกถึงได้มาเป็นประธานศูนย์การยมิตรลแลูรพราจารย์ที่ดูแลลูกเคยสร้างบุญมีกมุกขคณะมาอย่างไรมีบุญพอที่จะได้ขับดุสิตบุรีวงนพิเศษหรือไม่ จำเรื่องราวและกำถานได้ไหมจ๊ะจำได้ครับรับตาฝันเปตมิตาตื่นขึ้นม า, านแล้วก็นำม่ไลฟังเป็นนิยายปา ร, รามปรากันจ๊ะพ่อเป็นวันโรคและหายได้ด้วยวิธีง่ายๆเพราะกำแนดดพ่อเป็นคนมีฐานะจะดูแลค่าถ่าบริวารไม่ดีอายุสาศัยในที่อับชื้น จะทำให้เจ็บป่วยวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้เป็นวันนาโรคแต่หายง่ายเพราะมีบุญถวายยารักษาโรคจ้านี่อยากแข็งแรงก็ต้องอย่างนั้นถวายารักษาโรคถ้าไม่ได้อยู่ดูแลลูกจองแยกตัวออกไปและทวท่านต้องมีเพื่อนบ้านดูแลเพราะแน่ดีท่านก็ไม่เคยได้สงเคราะห์บุตรภรรยามากับท่านมีบุญอยู่ร่วมกับแม่แค่นั้นอย่ ถึงได้ตัดใจลาหมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะ<ม>คนรักกันแล้วก็ไม่ได้มีความผิดอะไรกันจะเป็นห่วงคนที่รักที่สุดบุตรภรรยาจึงตัดใจลาแต่ว่ามีบุญอยู่กัแค่นั้นก็ก็อยู่ได้แค่นั้นจะได้เคยเก้อกวนกับเพื่อนบ้านมาในอดีตตอนมียากกันจ้ะเพื่อนบ้านก็เลยมาดูแลพ<ส>อเรี้ยงถูกกองแล้วยังเข้าข้างคนโกองอีกเอออันนี้น่าศึกษา ถูกโกงยังก็ไปเข้าข้างคนโกงแต่ว่าเป็นผู้เบสันดอนไม่น่าใช่เพราะกำเนิดีท่านเป็นนักเลงการพนันเป็นทั้งเจ้ามือและผู้เล่นด้วยมักจะโกงผู้เล่นด้วยกันวิบากกรรมนี้มาสงม่งบนนี้ท่านถูกโกงแล้วก็ไปติดใจคนที่โกงตัวเองเพราะกรรมดานที่เคยโกงคนนั้นเขาเอาไว้จ้ะอเออบางคนตัดใจเพราะมีกรรมบางคนตัดใจเพราะอยากให้หมดกรรมแปลกดีมืดเนอะ พอเลี้ยทูมชนจะเป็นเจ้าชานิทร า, ทว า, รา15วันละเสียชีวิตละกรเนิดดีเคยเล่นการพนันชนสัตว์เช่นไก่โคเมื่อมันชนแพ้อยู่ครั้งหนึ่งก็เลยโกรธและกระเด็ฆ่าสัตว์นั้นกินวิญญ า, ารมาส่งผลじゃตายแล้วก็ไปยูในมหาระลรคขมหกเดกรรมการพนันกำลังโดนในโรยบาลด์แปลงตัวเป็นวัวตืบอยู่ตลอดเวลาตายเกิดจะเกิดน้ําครั้งไปทวนทุกทรมานมาก ไม่อาจรับบุญได้แต่บุญไปคอยอยู่ที่โยมโลกใช่น้องชายกระดูกคอหักและท่อนล่างไม่มีความรู้สึกเพราะกำเนิดดีน้งชายได้ไปทําการค้าขายได้จ้างนักเลงไปทำรายครัวอริฉันบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมามิบาตรกรรมนี้มาส่งผลใช่ลูกพันน้องชายเข้าโรงพยาบาลจนทำไปเสียชีวิตทั้งๆที่มีเงินเพียงพอจี่จะไปเข้าโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้เพราะ กรรมดังกล่าวของน้องชายในบีบคั้นในลูกทําดังนั้นน้องชายเป็นใครได้รับการดูแลอย่างดีจากแพทย์และสถาพยาบาลเพราะกรรมของน้องชายดังกล่าวนั้นแหละบีบคั้นอีกทั้งก็หมดอายุไขพอดีด้วยน้องชายฝันเห็นอาหารญี่ปุ่นนั้นก็เป็นเรื่องเป็นตุเป็น ต, นตะด้วยพิษบาดแผลทำให้เพล่ฝันไปเรื่อยเปื่อยจ้ะตอนแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยังในครอบครัวที่มีฐานะ อีทั้งตัวแล้วตอนนี้ไม่อาจรับบุญได้แล้วก็ไม่มีข้อความในฝากมาถึงใช่แค่พอไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะก็เหลือเพื่อเพระจิตเป็นกุศลตั้งใจจะบวชให้แม่จะเสียดายว่าไม่ได้บวชเพราะฉะนั้นมาบวชให้แม่พ่อซะเถอะน้องสาวคนแรกสมแม่คลุมหนังชนเพราะกรรมในอดีตน้องกนนี้ก็เคยเบังคับลุงตัวเองคลุมหนังชนเหมือนกัน่ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลใช่ สาบารมีกมับบุคคลนามาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์และไม่มีบุญประพฤติพรหมจรรย์มาจึงทำให้มาเจอว่ารธรรมกายช้าต้องแต่งงานก่อนแจะถ้าแยกครอบครัวแตป็นครอบครั ว, รวธรรมกายก็จะต้องมันแต่งสมบุญทุกบุญทั้งท า, านศะีลภาวนาและอธิษฐานจิตทุกวันให้ครอบครัวได้มาสร้างบารมีกมับบุคคลนอีกทั้งต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัว สักวันหนึ่งเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสมปรารถนาจ้าลูกชายคนที่สองน้องสาวคนแรกคลอดก่อนกําหนดเพราะในอดีตเคยมีกา ร, รให้ปริยาธรรมแท้งแต่ก็ไม่แท้งและยานั้นทําให้มีผลให้ลูกในชาตินั้นคลอดก่อนกําหนดมาส่งผลจ้าการมาเกิดก็มาจากที่มีไกลตัวคุณแม่ของเขาเท่าไหร่จ้าน้องสาวคนแรกถูกผ่าตัดตทำน้ําเหลืองที่ข้างหูเพราะในอดีตเคยทะเลากกับคั่วดีต แดดไม้ไปตีที่หลังหูจะทําให้เขาบาดเจ็บมาส่งผลจะ้ะทะเลาะกับแม่ทุกวันเพราะความเห็นไม่ตรงกันเป็นกรรมเก่าของแม่ด้วยจะเคยเถียงบิดามารดาและเป็นกรรมใหมของน้องสาวคนเล็กในชาตินี้จะ้ะเมื่อกรรมส่งผลก็จะทําให้น้องสาวมีลูกดือ้อชอบเถียงแล้วไม่อยู่ในวารของตนเช่นเดียวกับที่ทํากับแม่ของตัวนั่นแหละจะ้ะจะแก้ไขก็ต้องไปกราบขอขอมาท่านนะ ล้วก็ตั้งใจไปลูกทีดีไม่ดื้ออีทังจะตัง้งสรรสมบุญทุบุญทั้งกางรศีลภาวนาให้มากแล้วติดฐานจิตว่าขอยายมีวิบากตามทันและขอให้แม่ได้บุญเยอะๆให้ทําบ่อยๆนะจ๊ะพระเจ้าเข้าทรงบอกว่ายายตกในรถขุมลึกๆนั้นก็ไม่จริงจ๊ะยายตายแล้วก็ไปเป็นภุมะเทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภุมะเทวาแห่งหนึ่งได้บุญนี้ตามตามประเพณีจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้ว ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นท่านฟ้ามาบอกว่าท่านสบายดีแล้วก็ได้รับบุญทุกบุญที่อาทิตย์ไปให้และจะตัวลูกเพื่อนสนิทและแม่ได้มาอยู่ร่วมกันในชาตินี้กับเลาะเคยเกื้อกูลกันมาทั้งอดีตและปัจจุบันจ้ะแม่อิชายและแม่ขจตัวลูกและเพื่อนสนิทเราะท่านอายุมากแล้ว สังขารเสื่อมลงไปจึงเป็นโรคที้น้อยใจจึงดูคลาคล้กับเหมือนอิจฉาและไม่พอใจตัวลูกและเพื่อนสนิทจ้าจะแก้ไขก็ไม่ยากก็ต้องเอาใจใส่ท่านน้อยใกล้ชิดท่านให้มากๆเดี๋ยวอาการนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองเพราะอาการนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เป็นโรคเกิดจากใจ สังขารเส่อมลูกวิชต้องสำหนัาที่กระมิดให้แก่ท่านแต่ให้ได้อธิบายท่านกระจายในสิ่งที่ตัวลูกและเพื่อนสนิททำว่าทำเพื่อท่านจะดีอย่างไรอีกทั้งตั้งตอกย้งเป้าหมายการสร้างบารมีให้แก่ท่านด้วยจ้าลูกค้าที่ดินได้ตอนนี้พอดีทั้งทั้งตะก่อนนะนี้ขาไม่ได้พระอนุภาพแห่งบุญในปัจจุบันมาส่งผลจ้านั้นปัจจัยมาถวายหลวงพ่อก็จะทำให้ครอบครัวหมดหนี้สินแล้วกินเลยใช้หเลยสร้างบารมีจ้า แต่อย่างไรก็ตามกรอยาให้ครอบครัวมีปัญหาเพราะนําเงินทั้งหมดนี้มาถวายเนี่ยให้แบง่งปันสัดส่วนในพอเหมาะพอดีก็แล้วกันให้มีความปลอดภัยในชีวิตของครอบครัวแล้วก็เมื่อไปเรื่องของส่วนตัวก็มาทําบุญลูกและเพื่นสนิทมีครอบครัวเพราะในอดีตลูกและเพิ่นสนิทเคยมีครอบครัวแต่ว่ามีทุกข์เพราะการครองเรื่อนแต่นั้นมาทําบุญคราดใดเนี่ยลูกและเพื่นสนิทมักจะอธิษฐานว่า สาธุไอ้ภพชาติต่อไปให้อยู่เป็นโซดและสร้างบุญา ม, มีให้ได้เต็มที่ดังนั้นชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วและอยากกังวลใจไปเลยว่าบัณฑปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรเพราะบุญที่ทำไวจะบันดานให้ไม่ทุกข์ยากลํำบากและมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ถึงดวงใสใสองค์พระใสใสไปดุสิตบุรีใช่ไหมหลานชาติที่สี่ก็จะได้บทช่วงสั้นกันทุกคนใช่ ลูกมีแมนชั่นในชาแต่คนชาไม่เต็มเพราะการทำบุญในบางครั้งลูกก็ขยักเอาไว้บ้างทั้งๆที่มีกำลังทำแต่ณเวลาบุญสมผลก็จะได้น้อยกว่าที่ตั้งใจนิดหนึ่งน้อยกว่าที่คิดนิดหนึ่งแตอย่ากังวลใจไปเลยไม่ช้าก็จะเต็มเจ้ไม่น่าเชื่อคนมีตั้งหก0ันล้านคนในเะมืองไทยหกสิบล้านอนแต่อยู่แมนชั่นไม่เต็ม <c oughs> ไม่นะ่าไม่นะ่า จริงมาแค่ล้านคนก็นเหลือเฟือจะมน่ะไม่นะ่านะอะไรเป็นเหตุจึงมีผลอย่างนี้เออแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของบุญเห็นไหมทําแค่ไหนก็คแค่นั้นและเจ้าบุญที่ลูกพี่น้องเจ้าหน้าที่อยู่อาศัยมาตตลาจะส่งผลในกิจการดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าจะรู้ไว้อย่างเดียวเละเจ้าอาชีพขายอาหารหมูไก่ปลานั่นก็ยังไม่ถือว่าเป็นมิจฉาวานิชชาไม่ได้มีวิบากกันอะไรมากนะ ถ้าจะมีบ้างกาจะต้องอยู่ในวงจรของการค้าพวกนี้อีกก็คือก็จะทำไปค้าขายอาหารหมูไข่ปลานี่เองเจเคนเทนเนอรเหมือนคล้ายๆหมูคล้ายๆไข่คล้ายๆปลามีส่วนกัไม้คล้ายกันอยู่บ้างได่ให้โลกสังสมบนทุกบุญได้มากๆแล้วเทศฐานเจตบุญบรรดาได้พบช่องทางดีจะทำมาค้าขายให้อร่อยกว่านี้ให้โดยเร็วรวยแรงรวยรวด และช่องทาง น, นั้นให้เป็นสัมมาอาชีวะด้วยใช่ขณะนี้ลูกจะมาเป็นประธานศูนย์กัลมิตรพราเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาและติทานทเจริญขวยได้เป็นผู้นำในการสร้างความดีใช่เพราะ<อ>ฉะนั้นลูกไม่ต้องกลัวเป็นประธานศูนย์กัลมิต<อ>เป็นต้นบุญอย่างนี้มีแต่รวยอย่างเดียวใช่<า>เตรียมล้างมือให้สะอาดไว้รับทรัพย์นี่ให้สะอาดและยิ้มให้สดชื่นในคำว่าไอสว่งสวางสว่าง ทำหน้าหน้าอ่อนๆหน่อยทำหน้าอ่อนๆอย่างนั้นนะจ๊ะหน้าอ่อนๆยิ้มใบยบยเพราะยิ้มแล้วรวยรวยนะจ๊ะพระอาจารย์จะดูแลลูกผู้ธันโดษที่ผ่านมาก็เป็นท ห, หารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชามบวชแล้วก็ตอนันติบเผยแผ่จนตลอดชีวิตทีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดนทธรสมใสๆองค์พระใสๆ เอาตัราชกลับดูสิบุรีได้เรามาสร้างพระมีได้สองรอบจ้่แต่เป็นพระอาจารย์และเป็นกรณิให้กับตัวลูกมาด้วยจช่วันนี้มีพระอาจารย์มาถามครูไม่ใหญ่ว่าโอ้พุทธนดนี่ผ่านมามนุษย์อายุยืนเนี่ยเป็นหมื่นปีเนี่ยทำไมนั่งเห็นกค่ดวงใสๆกับพระใสๆไม่เห็นมากว่นนี้เลยและช่วงนี้เจ็ดสิบห้าปีเนี่ยมันยังไงยังไงอยู่นี่ทไมอย่างนั้นน่ะ อายุยุคไหนจะมากหรือน้อยไม่สําคัญว่ายุคไหนหยุดหรือไม่หยุดถ้าหยุดใจได้ก็เข้าถึงได้ถ้าหากว่าไม่หยุดใจนี่เห็นว่าโอ้หลือตั้งเยอะแต่อเอาตอนไทยมักจะเป็นกันอย่างนี้ไม่รู้เป็นยังไงเพราะ น, นั้นเจ็สิบห้าปีที่ตะไครพระอาจารย์บริหารเวลาไม่เป็ีนมีสิทเป็นภูมิมาเทวาอยู่เฝ้าวัดมีสิทธ์ ถ้าไม่ได้บริหารเวลาให้กับตัวเองได้นั่งธรรมะให้กับถึงโดนทำใ้ใสแลอองมาใจใสมีสิทธิ์ไม่เป็นภูมิภากัลุกคะเฝ้าวัดนี่ไม่จ้ะชาตินี้ไปเจอกันแล้วตัง้งใจสร้างปรมิมีเต็มที่ในทุกบุญรักติจารจิตตามติวิทุสิบรีวบบริเศสเกตบรมโพธิสัตว์อย่าได้ปรัดกันเลยจ้ า, จา นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตัดดี้สั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้